พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่7มกราคม2555มีชื่อเรื่องว่าอาวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตายอาวิชชาปัจจยาสร้างฆ่ารา สร้างฆ่าราปัจจายาวิญญาณนะังวิญญาณปัจจายานามรูปังนามารูปัสยารัตนพัสสเวทนาพบชาติชรามราณาโสกปริเทวทุกขโทรมราณะสูปลายาตคือวิญญาณที่เกิดแต่แก่เจ็บตายในวัฏสงสารนี้มาจากตัวอวิชชาคือตัวโง่คือตัวไม่รู้มันมาจากจุดนั้นอวิชชาไม่เหลือไม่เกินกว่านั้นไปอีกมองไปกว่านั้นไม่ไม่ทะลุ มันมีแต่หยุดนั้นเหมือนกับพวกเรามันยืนในแผ่นดินลงไปพื้นแผ่นดินขุดลงไปในแผ่นดินก็ยังเห็นแผ่นดินอยู่มันไม่ทะลุแผ่นดินอันนี้คือตัวอวิชานี่คือตัวแผ่นดินเนียว่าอวิชานี่เป็นพื้นฐานเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องทกถิงทุกอย่างในของวิญญาติอวิชชาปัจจยาเป็นปัจจัยปัจจยานอวิชชาเป็นปัจจัย ให้เกิดสังขารวิชาปัญญาสร้างฆ่าราสังขารสังขารร่างกายสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้ า, าก็จะเอาอยัางไงจะชะําระยังไงจึงจะตัดกิเลสได้จุดนี้พระองค์ก็ใช้ตประธรรมคือศินสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศินถ้าเรียงตามมันแบบต้องปัญญาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรตคือมรรคแปเนี่ยพระองค์ ใช้มักแปดเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเผาเสมเผาใช้ค า, าว่ากันกรองไตรตรองเหตุและผลในพระไทยหรือใจของพระองค์จากนั้นใจของพระองค์ก็หลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลส เ, เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนที่ถ้าจะเปรียบเทียบตามขั้นตอนให้พวกเราได้ฟังให้ได้สังเกตง่ายๆก็คือเหมือนกับพวกเราทากะิมะพร้าวอย่างนั้น เราก็ทำกะทิมะพร้าวเนี่ยมีมะพร้าวมาทั้งลูกเอเราก็มาปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จแล้วก็มาผ่ามาผ่าแล้วก็ก็ต่ายมาขูดนพอกระต่ายมาขูดเสร็จแล้วก็เราก็ต้องหากระทะพอหากระทะแล้วก็ต้องหาไฟหาฟืนเอจากนั้นก็หาน้ำมาคั้นกะทิพอคั้นกะทิเสร็จแล้วก็ใส่กระทะเข้าไปต้มเคี่ยวพอต้มเคี่ยวเสร็จแล้วกะทิมะพร้าวกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันต้มเคี่ยวเข้าไป น้ำมันมะพร้าวมันไหลออกมาจากกะทิมะพร้าวเออมาจากกะทิตะกอนมันสีขาวใช่พอต้มต้มต้ต้มเข้าไปเลยเออกะทิมะพร้าวเนี่ยมันหายหมดเลยเออมันเป็นน้ำมันมะพร้าวมันออกมาจากกะทิมะพร้าวในเมื่อมันออกมาจากกะทิมะพร้าวแล้วจะไหนเราจะเอาน้ำมันมะพร้าวนั่นมาขย้ำกับผุยมะพร้าวน่ะมันจะให้มันเป็นให้มันเข้ากันอีกมันเข้าไม่ได้เลยนี่ก็เหมือนกันเพราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า การภาวนานี่ก็เหมือนกันที่แรกใจของเราเป็นผู้มีกิเลสลาคะโทสะโมหะแต่จากนั้นมาเราใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญามาเผามาสุ่มมากั้นกลองมาไต่ตรองเหตุและผลจนใจหรือประทัยของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงจีบแจ้งเห็นจริงคือเป็นเป็นน้ามันมะพร้าวออกมาแหละเรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตจังทุกขังอนัตตาใจเขาะองค์เป็นออกมาเป็นมิติหนึ่งเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมเมื่อเป็นอมตะธรรมแล้วใจเขาพระองค์เป็นเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่จะขยำเข้าไปหากองกิเล่มันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันกิเลสกับธรรมมันคนละอันกันเหมือนกับน้ํามันมะพร้าวกับกะทิมะพร้าวนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ก็ขุยมะพร้าวน่ะมันคนละอันกันนี่แหละ คือใจของพระ อ, องค์ก็คือใจอันบริ ส, สุทธิ์แหละท่านเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะ ธ, ธรรมนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตอนจวนสว่างเนีอาสาวกยะยานยานอย่างรู้ว่าพระ อ, องค์หมดจดจากกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุญอย่างนิพพานสุญสุญอะไรสูญเชือ้อ เชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสโลภโกรธโลนะกําจัดออกแล้วหมดแล้วหมดเชื้อละใจตรงนี้มีแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกับเมล็ดข้าวที่กระเทาะเปลือกออกแล้วเป็นข้าวสารแล้วมันนึ่งอีกมันสุกแล้วมันสุกด้วยไฟแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ปลูกไม่เกิดพื่ออะไรมันเป็นข้าวที่มันสุกแล้วที่จะทําให้เกิดกิเลสที่จะทําให้เกิดจุ่งเหยองวุ่นวายต่อไปอีกทําให้เป็นเชื้อออกไปไม่มีแล้วหมดเชื้อแล้วนี่แหละนิพพานังประมังศูนย์ยังศูนเชื้อน่ย นี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพกให้ขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมทุกๆท่านนะแม้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเรื่องนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสุรุธรรมในวันเดือนหกเพนตอนหัวขําท่านงองดูพระ อ, องค์เองที่ว่าปุเพเนวาสารวจติยานดูพระ อ, องค์เองว่าพระ อ, องค์มาจากไหนพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะ ป, ะปะตาตยานในการจุติ การจติของสัพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดที่นี่มาด้วยเหตุอะไรทํากรรมอันไหนเอาไว้ทําไมมันจึงไม่เหมือนกันหูหนวกตาบอดบ้าไหวเสียจิตเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตติระชาเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตเอ๋ถ้าทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีนะั่นจะตามสนองนี่แหละพอถึงโจรสว่างพระ อ, องค์ก็ดูว่าทําไมใจตรงนี้จึงมาเวียนไหวตายเกิดเป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดบ้าไปเฉลียวฉลาด ล่ำรวยมั่งมีสีสุขเป็นได้ทุกอย่างเพราะอะไรพระ อ, องค์บอกว่าเพราะใจตรงนี้มันมีเชื้อที่จะต้องมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแนหะพระ อ, องค์จึงได้กำจัดเชื้อคือที่จะทำให้เกิดอีกนั้นจบลงไปแล้ว น, นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ได้มาทาบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลขอให้พวกเราได้บุญกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าปีใหม่ วันที่วันนี้เป็นวันที่เจ็ดจากนั้นมาเป็นเจวันมาถึงวันนี้พวกเราก็ได้เริ่มทำบุญซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเพื่อเป็นฉลิเพื่อเป็นมงคลของพวกเราและเขาขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขปาละปฏิพานท่านอาารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกประการเถิน